คาถาสัมมาวาจานี้ท่านพูดถึงในเรื่องของกุศลพูดถึงกุศลคาถาสัมมาวาจาเป็นกุศลนั่นเองเป็นคําพูดที่เป็นไปในการที่ไม่มีโทษทั้งหลายประกอบด้วยเหตุผลต่างๆเป็นไปกุศลนี่แหละอย่างคํากล่าวพระธรรมต่างๆเหล่าเนี้ยหรือเจตนาสัมมาวาจานี้เป็นเจตนาที่เกิดร่วมกับมโนทวารแลชนะก็ได้ในโวตถวนะเป็นต้นเหล่านี้ก็ได้ไหมที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะไปเกิดในชาวนะเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็จะมีเหตุแห่งการที่จะไม่พูดเท็จอะ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทำหยาบเพ้อเจ้อเยอะเส้วนวิรัติสัมมาวาจายตัวนี้เป็นตัวเป็นสภาวะที่งดเวน้นคือเวละเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จก็อย่างหนึ่งใช่ไหมเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเพ้อเจ้อเวลาเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดทำหยาบ เนี sa ่ยมาเลยสลับกันเนี่ยนะพูดเท็จสอเสียดทำหยาบเพื่อเจ้อฉะนั้นอเวรเจตนาแต่ละอย่างที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จก็อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งการพูดพูดสอเสียดก็อย่างหนึ่งคำหยาบก็อย่างหนึ่งเพื่อเจ้อก็อย่างหนึ่งคนละอย่างไม่เหมือนกันแปลว่าเป็นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งความเพื่อเจอตอนนั้นอกุศลเกิดพูดเท็จน่ะเจตนาเป็นบาปและเป็นอกุศลและ ก็เลยเป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดมาเป็นการพูดเท็จไปหรือบางทีก็พูดส่อเสียดทําให้คนแตกล้ากันไปขณะเป็นเจตนาในใจเป็นอาุศนกันแ ล, แล้วก็ขับเคลื่อนทําให้วจีวัญญาติมีการเปล่งมีการกล่าวมีการพูดออกมาแล้วก็พูดออกคำหยาบเหมือนกันแล้วก็นี่คเพื่อพูดเพ้อเจอไปวันๆนี่เนอะไลายลายสาระไม่ประกอบไปด้วยสีแลสาระถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเ น, นี่ยเวลาเจตนาอาุศลเนี่ยเกิดในเรามากไหมมากไม่มาก เอาเวรเจตนาเจต น, นาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเทศคําหยาบส่อเสียดเพื่อเยอเนี่ยมากไม่วันวันมากแต่ถามบอกว่าเวรเจตนาเหล่าเนี้ยถูกตัดขาดด้วยอะไรถูกตัดขาดด้วยวิรติเนี่ยวิรัติสัมมาวาจารฉะนั้นตัววิรัติสัมมาวาจาเนี่ยเขาจะไปตัดรอนหรือหักรอนเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการพูดเทศส่อเสียดคำหยาบหรือเพื่อเยอ นั้นถ้าหากว่าตัววิรตีเกิดนะมันจะตัดปุ๊บไม่ให้เกิดเลยอ่ะเช่นไปเจอวัตถุที่กําลังปรากฏที่จะเป็นเหตุเหตุการณ์ที่จะกล่าวเท็จเช่นมามาเจอโยมปุ๊บโหวันนี้ดีแล้วมิได้โอกาสแล้วจะกล่าวเ ท, ท็จสักทีพอทําท่าจะกล่าวปุ๊บวิรตีนะที่เอามาสั่งสมมาเนี่ยสมาทานมาตอนบวชเนี่ยเอามาไม่สมควรแท้ๆเลย ว่าเป็นสาวกของพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งแต่บวชมาไม่ได้กล่าวเทศน์สมมุติเนี่ยจะมาพินเหตุแห่งการกล่าวเทศไม่สมควรกับเราเลยเนี่ยเราไปปฏิญญาณต่อสงฆ์เอาไว้เลยอะ่ะใช่ไหมทั่วอุโบสถกรรมนั้นอ่ะว่าเราจะบวชเนี่ยสัพพทุขานิสราณา น, านาสิภานะสัจจีกรณนาถายะแล้วการกล่าวเทศเหล่านี้ก็ขวางมาผลนิพพานนันนี่จะเสียหายมากเนี่ยเพราะคิดได้อย่างนี้ไปเสร็จก็ตัดลอน ปุ๊บนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่ไงวิรตีนี่เป็นสมาทานวิรัตินะเนี่ยเนี่ยสมาทานวิรตัตมาตัดเนี่ยตัดเวรเจตนากุศลที่ไปเห็นการเก่าวเท็จบางทีออกมาก็จะพูดส่อเสียดบ้างใช่ไหมอั น, นจะพูดบอกว่าเออเนี่ยมีใครว่าโยมสมมติไงนะแหมเนี่ยเห็นเป็นโยมเนะยเลยมาบอกถ้าไม่รู้อย่างสมมุติเนี้ไม่พูดจริงนะอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ย พอจะกล่าวานี้เบสเสร็จปุ๊บตัวเวรตีก็ตัดรอนเวรเจตนากุปสนที่เป็นเหตุถึงการกล่าวส่อเสียดก็หยุดเสียได้เพราะนึกถึงที่เราบทเป็นพระมานี่สมาทานเวรต์เกิดอย่างนี้เพราะปรากฏเฉพาะหน้าที่จะกล่าวเทศมีอารมณ์มีวัตถุที่ปรากฏอยู่แล้วจะพูดคําหยาบเหมือนกันรู้สึกไหมมันเป็นคําสนุกดีหยาบหยาบอย่างเงี้ยขอภายนะคำว่าไอ้มึงอีครูขอขอพายคำเนี้ยบางทีพูดห ย, ยาบหยาบเนี้ยพูดแล้วมันสนุกเนี้ย พอจะกล่าวขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็ตัดเวรเจตนาอุศน์ได้หรือพูดเพ้อเจ้อใช่ไหมไรสาระไรประโยชน์ไม่มีศีไรสาระสมาธิสาระปัญญาศาระไม่เป็นปัจจัยกิมุติสาระอิมุติญาณทัศนนาสาระพอจะพูดอย่างนั้นปุกก๊บก็วิรัตก็ตัดลอนเลยเวรเจตนาโดยนั้นนี่เวรตีเขาเกิดแบบนี้สมาวจาเอ้าเราเกิดแบบนี้ไหมแต่ถ้าสัมปตาวิรัตเนี่ยไม่ได้ปารบสิ่งที่สมาทานไว้ สิ่งที่ตั้งใจไว้เข้าใจใช่ไหมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คํานึงถึงว่าเรามีการศึกษาเรามีญาติตระกูลเราเป็นผู้ดีเรามีอายุมากเราศึกษามาดีเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นเหตุแห่งการงดเว้นได้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกสัมปตาวิรัตกเวรัเจตนาก็ถูกตัดไปด้วยวิรติเหมือนกันแต่เป็นสัมปตาวิรัตไปคําว่าวิรัตเนี่ยเสมอเหมือนหนึ่งว่าถ้า ตัวเวรตีเขาอยู่ในใจนะเสมอเหมือนหนึ่งบอกถ้าเรานั่งอยู่ในห้องใจของคุณเวรทั้งหลายอากุศลทั้งหลายอย่าเข้ามานะเหมือนเขาจะโข อ, อย่างงั้นเลยบอกเองอย่าเข้ามาตอนนี้เรากำลังนั่งท่านอยู่ในใจเนี่ยทำไมบาปทุจริตทั้งหลายถึงเข้ามาทางวาจาฉะนั้นท่านจะคอยห้ามเขาไว้ วิรติที่สัมมาวาจาวิรติเนี่ยจะคอยห้ามบาปคอยตัดรอนบาปาในชีวิตจริงเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าปฏิบัติเดินมันเดินอยู่ศีล <c oughs> บา ร, รมีเข้าใจยากไ้ยนี่ไงศีลบา ร, รมีเนี่ยท่านบำเพ็ญอย่างนี้ศีลบา ร, รมีอะอาทางกายกรรมก็ลักษณะอย่างเนี้ย กิริยาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาแล้วก็วิรัติสัมมาวาจาใช่ไหมมีสามอย่างใช่ไหมสัมมาสมาเอเอสมัสมมากาัมนตะค่อยๆไปกิริยาสัมมากรรมันตะเจตนาสัมมากรรมนตะแล้วก็วิรัติสัมมากาัมมนตะตัววิรัติสัมมากรรมันตะก็คอยตัดเวรเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเป็นเหตุแห่งการรักเมื่อสักครู่เนี่ยยอมถามออกมาใช่ไหมกลับไปยังไม่รู้ถามเรื่องมด ออามาเขากลางออกไปทำยังไงเนี่ยจะจัดการกับมดได้แม่ปัญหาหนักเหลือเกินปัญหาเรื่องมดนะมดมันขึ้นบ้านเนี่ยแล้วมาจะวดอยังไงเอามาก็บอกอยกใจคือตรงนี้ อ, อุบาสกบาศิกาในพระศาสนาวุทยาต้องฉลาดในการที่จะดูแลเนาะ แสรุปก็คือทํายังไงอย่าฆ่าเขาอย่าเบียดเบียนมึงอย่าไปฆ่าเขาเพราะว่าเวยรเจตนากุศลเนี่ยที่จะไปฆ่าเมื่อกี้ยมไม่ไม่ทราบว่ากุญยอมไปกรือย่างนยอมก็บอกว่าโยมก็ท่องคาถาก็าท่องเสร็จก็จัดการเลย <S <S 1> <S 1> ไม่รู้จะไปขอไปเนี่ยไม่ดีถึง ย, ยิ่งยมนอมคือยอมท่องเนี่ยเนีย ไม่รู้ท่องอย่างไงมาจําไม่ได้เขาบอกว่าเ๊จะเป็นคาถาปังแล้วก็คล้องจองดีนะไม่รู้เธอไม่รู้เธอไปจํามาจากไหนฟังเอ้ดีคาถาแต่ว่าไปท่องเป็นคาถาเป็นคงเป็นคาถาแบบโบราณที่จํากันมาที่กระท่องพอท่องไปเสร็จเธอก็กําจัดเลยเนี่ยไม่มีไอ้ตรงเนี้ไม่ดีฉะนั้นก็คือคิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าหนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งชีวิตเนาะให้คิดอย่างนั้นให้งดเว้น เราเป็นอุบาสิกาในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าการทำเช่นนี้ไม่สมควรแก่เราให้คิดอย่างนี้นะวิธีคิดตั้งสตจทิณสีไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าบอกว่าแม้แต่มดดามดแดงเล็กๆก็ไม่พึงไปเบียดเบียนเขาเอาถ้าเขาเข้ามาในบ้านในแหล่งต่างเขาตัวเล็กๆเองใช่ไหมแเราค่อยๆปดัดค่อยๆนั่นเขาอะไรเขาเนี่ยป้องกันได้ไม่ยากหรอก เขาไม่มาทําลายเราจนถึงขนาดสักหัสสักกันใดๆหรอกมีเมตากับเขาเพราะว่ามองเขาโดยปียาจากสุใช่ไหมเหมือนยงกัดเดี๋ยบางทีเราโอุ้ยเขากัดนี้เดียวแค่นั้นหลเราทุบเข้าซะจนเต็มที่เลยเนี่ยไอ้ทีนี้เราดึึกมันอ้เราก็นึกก็ก็เมตตาเขาใช่ไหมก็รู้จักที่จะไม่จะว่าเป็นเมตตาแบบออกไปกลางแจ้งนี่เขาดีกินเป็น เอ่อเป็นไข้ปา่าเป็นวนเป็นมาเรลลียไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีวิธีป้องกันนะพุทธเจ้าก็ป้องกันนะเหลือบยุงไร ล, ลมแดดต่างๆนะมีกรดมีจีวอนอะไรนี้ป้องกันทั้งนั้นนะพุทธเจ้าสอนให้ป้องกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ไปปัสสาวะไเขาบอกในสังสารวัตที่เราไม่เคยเป็นไม่มีไงนะเราต้องเราต้องเข้าใจตรงนี้เนาะถ้าเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จว่าไอ้ตัวเวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่า มันจะเกิดโทสะก่อนนั่นแหละเจตนาที่เป็นทุกศีลเกิดขึ้นมามันก็จะฆ่าจะประทุษร้ายเขาบางทีเนี่ยเขาอยู่ในที่ล้างมือเราเห็นเขาแล้วแต่แกล้งไม่เห็นก <c oughs> ็เปิดน้ํำมาเคยไหมเปิดน้ําล้างเฉยอะไรทำทีทำท้าไม่เห็นแล้วมันไปแล้วแล้วชอบหลบเลี่ยงคนไทยเนี่ยแล้วพูดเรื่องศีลเนี่ยอามาไม่ได้พูดพวกเราพวกเราคงไม่เป็นแน่นอน เดพูดคนอื่นดีกว่าอย่างพวกเราเป็นผู้รักษาศีลดูแลคงไม่ได้บางทีนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้มีการลักไก่กันเยอะรักษาศีกันตลาดตลาดดีคนไทยนี่เนะี่ยคือจริงๆเนี่ยศีนี่ยนะบางทีเออ่การรักษาศีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราแม้ข้อรักขโมยเี่ย บางทีไม่ได้รักขโมยอ่ะแต่เราเบียดเบียนเขาวิธีการที่ถูกต้องบะมีนะอย่าลืมนะไอการเบียดเบียนเขาได้วิธีการที่เหมือนดูจะถูกต้องอะไรต่างๆเราเนี้ยเนี้ยเยอะแยะเบีดเสร็จถ้ามีพักมีพวกเขาหน่อยใช่ไหมก็ใช้อุบายกันเยอะหมดเลยอ่ะใช้สิทธิใช้อะไรกันเบีดเสร็จเยอะแยะเบีดเสร็จเลยในนี้มีเยอะแล้วบางที บางทีเราก็ใชร้ระบบแบบหมุนวนเนี่ยก็คือหนึ่งรักษาศีลอย่าไปอย่าไปศึกษาศีลอย่าศึกษาเหมือนนักกฎหมายที่จะเลี่ยงกฎหมายเขาย้าใจยังเพราะนักกฎหมายในที่ศึกษากฎหมายเน่เขาไม่ใช่เขาต้องการจะทำตามกฎหมายนะเขาจะหาช่องทางในการที่จะหลบเพื่อจะทำชั่วเนะ่ยันเป็นอย่างงั้น แต่รักษาศีลของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่กฎหมายแต่รักษาศีลเพื่อต้องการจะขัดเกลาเพื่อจะทำให้ราคาโทรศัมูฮันั้นเบาบางลงใช่ไหมแต่จะรักษาศีลต้องบอกว่าเอ๊ะเช่นโลภะเกิดไม่เป็นไรเพราะไม่ล่วงละเมิดมาทางกายทางวาจาทอย่างนี้ยังยุ่งเลยเนี่ยไม่ไม่ล่วงละเมิดจริงๆนะคือไม่ครบกรรมรบวชแต่บาปมันเกิดที่ใจแล้วว่า ง, งัย โกรธก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ด่านี่ไม่พูดคําหยาบนี่แล้วศีลมีตรงไหนทีนี้มันก็ไม่มีหรือในขณะที่เกิดความที่ว่าเราไม่รักเออเราไม่เราไม่รมักทรัพย์ใช่ไหมแต่เราไปยินดีของคนอื่นอย่างเงี้ยนะไปอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองอย่างเงี้ยมันก็เสียไปแล้วในะตัวโลภะมันไปฉาบติดในอารมณ์นั้นเรียบร้อยแล้ว แล้วไหนละอัตยาศัยในการขัดเกาความไม่โลภอยู่ตรงไหนแล้วที่จะบรรลุล่ะแล้วที่จะหลุดพ้นล่ะอะไระจะหลุดพ้นได้ก็วิธีคิดมันยังเป็นแบบนี้เขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะทำไมอุปนิสัยเขาก็พูดนะแต่จริงๆไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเขาทำไมคนไทยปึกแปลก ชอบทําอะไรแบบหลบเลี่ยงแลว้วพวกพูดว่าเป็นความฉลาดเป็นเรื่องประหลาดแท้ก็ประมาณ น, นีเนเ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องประหลาดคือบางทีไปพูดอย่างนี้ก็ไว้แล้วเบียดเสร็จใช่ไหมพอมาวันหนึ่งก็สามารถพลิกกลิ้นได้เนี่ยถือว่าเป็นคนฉลาดตัวนี้ต่างต่า ท, ที่ผิดศีลเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ตรงนี้ก็ไปไปศึกษาดูว่าเราท่านทั้งหลายปรารถนาการขัดเกลานเนี่ยนะปรารถนาต้องการที่จะบํบาเพ็ญบารมีโดยเฉพาะสีและบรารมีเนี่ย กายกรรมวจีกรรมและมโนโกรรมต้องสะอาดไอ้ตรงนี้ก็ชัดแล้วผลปรากฏของศีลอยู่ตรงกายสุจริตวจีสุจริตและมโนเนื้อสุจริตฉะนั้นพอดูตรงนี้เบ็ดเสร็จก็คือว่าศีลเนี่ยรองรับทรงไว้ซึ่งกุศลธรรม ท, ทั้งหลายศีลประดุดดังแผ่นดินดังได้กล่าวเนี่ยนะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของวิรัตเนี่ยพอพูดถึงในด้านของกายกายกรรมกายกรรมก็คือว่า เวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการลักเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกามตัววิรัติวิรติจะคอยตัดหลอนเวรเหล่าเนี้ยเวลเหล่าเนี้ยให้ออกไปจากใจไอเวรเจตนากุศลที่เกิดขึ้นเวรติจะคอยห้ามหันจะคอยขจัดออกไปเขาจะอยากจะไม่ให้เข้ามากล้ามกายในใจเลยนในสุงจริงใจก็เข้าถึงความสะอาด พอใจสะอาดแล้วกายกรรมวิจีกรรมจึงชื่อว่าสะอาดตามไปด้วยเขย้าใจยังเพราะเวรตีเนี่ยก็เกิดที่ใจประชุมที่จิตนี่นะเกิดที่จิตใจนี่ขัดเกลาที่ใจนี้มันก็เลยตัดรอนได้อย่างนี้นะส่วนสัมป ต, ตาวิรัติก็ดีเอ่อส่วนเอ่อส่วนสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะท่านกล่าวสองวิริยะสัมมาอาชีวะกับวิรติสัมมาอาชีวะมีสองอย่าง ทวิริยะสัมมาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพไงถ้าพระก็คือเนี่ยเว้นจากทูรักูสักะเว้นจากการประทุษร้ายตระกูลประจบเขาหัดประจบประแจงเขาเป็นต้นเหล่านี้ยแล้วก็มีการประพฤติผิดให้ไม้ภผยใ ห, ให้ใบไม้ให้ของอะไรต่างๆเหแบเนี้ยเป็นหมอยาเป็นอะไรต่างๆว่าไปอีกเยอ ะ, อะรายละเอียดนี่นะถ้าเป็นคารวะก็แ น, นะนำมิจฉา ว, วนิชาการค้าขาให้ไม่ชอบ่ะ ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์เป็นค้าขายนะ้มาว่าไปทําแบบเนี้แต่ว่าตัวขับเน้นจริงๆเนี่ยท่านขับเน้นใจเพราะวิรติสัมมาอาชีวะเนี่ยก็คือว่าตัดเวรและเจตนาอกตินสนที่เป็นเหตุแห่งการเพี้ยนผิดคือไม่ให้เวรและเจตนามันเกิดขึ้นคืออกุศสนเกิดในใจอะวิรติก็คอยตัดรอน ตัดรอนไม่ให้ไม่ให้กระทําอาชีพที่ผิดพลาดทั้งหลายแล้วก็ไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่จะเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดในการประกอบอาชีพทั้งหลายเนะี่ยมันล่วงละเมิดออกมาก็เลยตัดรอนที่ใจสรุปแล้วก็คือเวตีเนี่ยจริงๆก็คือเป็นตัวที่คอยตัดเวละเจตนาอกุศลที่อยู่ในใจออกไปใช่ไหมนี่เราท่านทั้งหลายก็ต้องไปฝึกใขครวรสังเกตพิจารณาตั้งโยนิสมนสิการไว้ให้ดี จะได้ทำเวรตีให้เกิดขึ้นในใจมันจะได้ละได้กันจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เอาสักแต่ว่าสักแต่ว่ากันอยู่ก็เลยเสียหายเลยเนี้ยนี่เป็นนี้ส่วนในรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะว่าวิรตีที่สัมปยุติมรักเรียกว่าสมุเฉ ท, ทาวิรักแบบเช่นสัมมาวาจาสัมมากรรมติตาสัมมาชีวะเนี่ยที่ประชุมอยู่ในอริยามรักก็เป็นสมุเฉ ท, ทาวิรักพละต้นเหตุ ed, หรือบาป เกียรติในการล่วงละเมิดบาปกระสุรธรรมลาโมกเป็นต้นได้ประการต่อมาพระโพธิสัตว์ก็ก็พิจารณาต่อไปนะท่านบอกว่าแต่พุทธการกธรรมจะมีเพียงแค่สีและบา ร, รมีแค่นี้ก็หาไม่ได้เราจะค้นหาพุทธการกธรรมที่เป็นเครื่องบ่มเ พ, พาะโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ก็ได้เห็นเนกขมะบา ร, รมี เป็นคำรบที่สามเป็นข้อที่สามที่พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้สแสวงหาคุณันยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมกันมาจึงได้เตือนตอนเองว่าดูก่อนสุมเมธะเป็นต้นเหรอเนี้ยนะท่านจงยึดเนคขมารบารมีเป็นข้อที่สามนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนา จ, จะบรรลุสัมมาสัมพธิยาณจงบำเพ็ญเนคขมารบารมีเถิดคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำ คนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำมุ่งหน้าต่อเนคัมมะเพื่อหลุดจากภพ บ, บอกว่าได้รับทุกขเวทนาย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำมีแต่จะหาช่องทางที่จะพ้นไปออกไปแม้ฉันใดท่านจงเห็นกามาพรบรุปะพบและรูปะพบทั้งปวงประดุดเรือนจำจองมุ่งหน้าต่อเนคัมมะเพื่อหลุดพ้นจากภพชั้นนั้นเถิด เร่อามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าเนคขมารบารมีเนี่ยนะมีการออกจากกามและออกจากออกจากและจากมีโชคเป็นลักษณะมาจากคาว่ากา ม, มาโตจากภวะโตจากนิคนนัมมณารักขณาออกจากกามแล้วก็ออกจากจากมีโชคคือให้ออกจากพวกสกาล่าทั้งหลายเป็นต้นเนะ่ะในกรณีเนคขมารเนี่ยนะ ตัวเน่ฆัมมะบารมีเนี่ยคําว่าเน่ฆัมมะเนี่ยถ้ามาพิจารณาตามพระธรรมคําสอนท่านบอกว่ามีการออกจากกามแล้วออกจากภพเนี่ยมีการออกจากกามแล้วออกจากภพคําว่าออกจากภพเนี่ยเนี่ยมีการประกาศโทษของกามเป็นด้นเป็นกิจนั่นคือกิจคนที่เขาบำเพ็ญเน่ฆัมมะเน่ฆัมมะจริงๆเป็นจุดแรกยริงที่เป็นชื่อของปฐมวชา เป็นเบื้องต้นก่อนนี่นะที่พระพุทออย่างเช่นอย่างสุเมธาเนี่ยท่านบำเพ็ญทานลบา ร, รมีก่อนใช่ไหมแล้วก็สีลบา ร, รมีแล้วกมม็เนตกรรมะเนกรรมะแปลว่าท่านได้ปฐมฌานเห็นไหมเนี่ยก็คือท่านเห็นโทษของกรรมเองสังเกตดูทีว่าท่านพัฒนาโทษของกรรมมาตามลําดับท่านบอกว่ากามคูณนี่หน้าเบือนนายท่านก็ไล่มาตามลําดับประดุดก็เลือนเนี่ยขันห้าเนี่ยคือเลือนนะเลือนเนี่ ย, นนยไฟมันไหม ไม่ว่ามันไฟสิเบเอ็ดกองเนี่ยไฟคือราคาไฟคือโทสาไฟคือโมหะไฟคือชาติชาลาพญาที่มรณะโสโกาบริเดวะทุกขโทนนัสายล่าบลายย่าไฟสิบอดกองมันก็เผาไหม้บ้านหลังนี้อยู่ตลอดเวลาคนมีปัญญาทั้งหลายเขาก็เอาทรัพย์ออกจากบ้านหลังนั้นหมดแล้วใช่ไหมใช่คนโง่ ก, ก็กอดเรากอดบ้านหลังนั้นไม่อยากออกจากบ้านหลังนั้นในอัตภาพอีกหลายร้อยหลายล้านอัตภาพที่ผ่านมานี่นะเราเนี่ยให้ไฟไหม้เรือนเราทุกพกเลย ไม่ยอมหนีแล้วเนี่ยออกจากเรือนนี้ก็ไปสู่เรือนหลังใหม่ออกจากเรือนหลังนี้ก็ไปสู่เรือนหลังใหม่อัตภาพคือรูปปั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรือนไหมเป็นบ้านไหมบ้านหลังนี้ใกล้จะพังมั้ยยังเนี่ยใกล้จะพังแล้วเพราะพัพงแล้วเราไปสร้างบ้านใหม่ไหมเนี่ยก็ไปติดบ้านหลังใหม่ไม่ยอมออกตั้งแต่ปฏิสนธิปุ๊บเนี่ยไฟมันเริ่มไหม้ยังชาติเนี่ยเป็นไฟแล้ว ชลาเป็นไฟแล้วพยาธิมรณะเป็นไฟราคะโทสะโมหะที่เกิดในใจเนี่ยเป็นไฟแล้วก็ไฟมันไม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนมีปัญญาทั้งหลายเขาก็หอบเอาของออกจากบ้านหมดแล้วใช่ไหมถ้าไฟไหม้บ้านเราทําไมไม่หอบสิกขาสามกาวคือศีลสมาธิปัญญาหรือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดดออกจากบ้านหลังนี้ซะทําไมไม่ออกเพราะอะไร รอจนไฟไหม้จนบ้านพังหมดก็ไปสร้างบ้านใหม่สร้างพบไฟติดอีกแล้ว้าก็ไม่เปไล่แล้วปล่อยมันไหม้ไปพังแล้วก็ไปสร้างใหม่แต่เน่ฆ amma เนี่ยท่านเห็นโทษของกามแล้วพบเนี่ยแล้วท่านก็ประกาศเลยไม่ใช่เห็นอย่างเดียวใช่ไหมท่านประกาศโทษของกามประกาศโทษของพบเลยว่ากาลมาพบประดุดดวงไฟไหม้รูปปบะพบประดุดดวงไฟไหม้ อารัณ์พบก็คือประดุดดังไฟไหม้คือไฟสบเสบียกองมันไหม้ราคาโทรศัพทโ ม, มหะมันไหม้ชาติก็เป็นไฟชราก็เป็นฟไฟมรณะความตายเป็นต้นก็เป็นไฟแล้วก็ไปนั่งท่องบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเป็นไฟใช่ไมไหม้ไหม้หมก็ท่องก่อนใช้สัญญาเป็นตัวนำในส่วนจริงก็จะเข้าใจว่าไฟไหม้จริงๆอย่างนะ้ตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นไฟใช่ไหมน้ำคันเราได้ไฟกองนี้แล้วก็ไปเอาไฟกองใหม่ไหม แล้วก็อตโตวะมุขขาภาวะปุญญาทานนะก็มีอันขันหลังจากโทษนั้นแหละเป็นผลหันหลังให้ไหมพระโพธิสัต์เนกกรรมปรมีเนี่ยหันหลังให้เลยหันหลังให้การมาพบหันหลังให้รูปมาพบและรูปรพบหันหลังให้กามเนี่ยและหันหลังให้จากวัตถุกามและกิเลสการแล้วก็มีความสลดใจเนี่ยเป็นเหตุใกล้สังเวคชเนี่ยมีความสลดใจเป็นเหตุใกล้ ถ้าเรามาพิจารณาวันหนึ่งเราเอาผมมาพิจารณาแล้วเราสลดใจไหมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมาไข้กันเนาะแล้วก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของลูกผมขนเล็บฟันหนังของสามีภรรยาผมขนเล็บฟันหนังของพ่อแม่พี่น้องแล้วมันน่าเบื่อไหมเนี่ยก็พารนา จะกินข้าวแต่ทีก็ภารนาที่โอ้เป็นโทษแท้ๆ เ, เราจะต้องมาคอยพังงบพังงมไอ้กายที่เน่าเปื่อยที่มันไม่ที่มันไม่ซื่อสัตย์นี้มันคอยทรยศอยู่ตลอดเวลาเราเลี้ยงดูเจ้าวันละสามเวลาเจ้ายังทรยศก็พูดบ่อยๆไม่ได้เลยใช่ไหมขนาดเอาอาหารประครบปะงมให้กินอยู่มันก็ยังทรยศอาบน้ำให้วันละสองสามรอบมันก็ยังทรยศ เอาผ้าดีๆมาหม่มเอาอะไรต่างๆมาดูแลเสริมอาหารเข้าไปอีกมันก็ยังมาเจ็บมาป่วยอีกกายนี้มันมีแต่โทษแท้เนี่ยไม่ไม่ภรวนาบ่อยๆก็ภรวนาบ่อยๆใช่ไหมตาก็มีแต่ขี้ตาไหลออกไม่งามเลยหูก็ขี้หูไหลออกทุกวันไม่งามจ้หมูกก็น้ำมูกไหลออกทุกวันก็มีแต่ของไม่งามปากก็มีแต่เสเลดและน้ำลายไหลออกทุกวันใช่ไหม ในกลายนี้ก็มีกลิ่นกลายออกเหม็นอยู่ทุกวันต้องชาต้องทาต้องปะทวานหนักทวานเบาก็มีแต่ของไม่สะอาดไหลออกแม้ในใจนะก็มีราคาโทสศัพท์ไหลออกอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่งามเลยมีแต่โทษทั้งนั้นประกาศโทษเขาบ่อยๆอย่างนี้ได้ไหมถ้าประกาศบ่อยๆ อ, อย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ชัดอันนี้ไม่ไนะอางนั้นโอ้โหตาจะตาลองงามเนเนี่ย เออโหแล้วก็ดูดีก็รู้สึกเนี่ยไปรักษามาค่อยช่วยหน่อยเออดูหน้าก็รู้สึกผ่องใสขึ้นเออฟันก็รู้สึกดีขึ้นตอนนี้ไปให้หมอฟันก็ดูมาเลยแล้วอย่างงี้ประกาศโทษหรือเปล่าก็ไม่ประกาศโทษดีกท่านให้ประกาศโทษแล้วก็มีการหันหลังเลยเพราะเห็นว่าเป็นโทษแล้วใช่ไหมเพราะเห็นด้วยความเป็นโทษเห็นด้วยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวผีเป็นลูกศรไปดูในมาคันดีาสูต พระพุทธเจ้าสอนมาคันธียามาคันธียาเนี่ยนะพราหมณ์ไม่รู้จักไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโทษลทัทธิของมาคันธียาพราหมณ์เนี่ยนะเขาสอนบอกว่าให้เจริญตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งไหนที่ยังไม่เคยดูให้รีบไปดูอทุกวันนี้ลทัทธินี้ยังแพร่หลายในประเทศไทยไหมเนี่ยอะไรที่ยังไม่เคยฟังให้รีบไปฟังที่ฟังแล้วก็ให้ผ่านไปหาฟังสิ่งที่ดีดีดดยิ่งขึ้นไป ไอสิ่งไหนดมแล้วเบื่อแล้วก็ไม่เอาไปดมสิ่งอื่นไอไหนกินแล้วมันไม่ดีก็ไปหากินสิ่งอื่นๆมากๆยิ่งๆขึ้นไปสิ่งไหนที่เคยสัมผัสแล้วมันมันนั่นก็หาสิ่งที่มันประหนี่ยิ่งๆขึ้นไปสัมผัสใจที่คิดเรื่องอะไรแล้วก็หาสิ่งที่ดีๆงามๆคิดขึ้นไปถ้าสอนกันอย่างนี้นะพอมาเจอคําสอนพระเจ้ามาทันติยาบอกว่าคําสอนของท่านสั ม, มนาโกดมเนี่ยกําจัดความเจริญว่า เนี่ยทําให้วิบัติหมดเลยวะเนี่ยกำจัดความเจริญเนี่ยตัดความเจริญทางตาหูจมูกเล้นกายใจว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ดีเลยพระเจ้าก็อยู่ที่หนึ่งตอนนั้นพระองค์ก็ได้ยินด้วยทิพยโสตย์ใช่ไหมพระองค์มีจับโสตยเป็นทิพย์เนี่ยพระองค์ก็ออกจากสมาบัติก็เดินมาถามบอกว่ามาที่ตรงเนี้ยตรงที่มาคันธียาพามกับพาระทวชะเนี่ยกำลังสนนะนาบอกเออ เห็นเธอสนทนาเรื่องของเราอยู่ใช่ไหมวโอ้โหตกใจเหงื่อแตกแล้วก็เลยบอกว่าที่เธอพูดเนะี่ยพยันชนะนะี่ถูกแต่อัดถานเ่มันผิดอะไรอยงอัฏถานะ่มันผิดเพราะตาหูจมูกเลนกายใจเนะี่ยมันเป็นของไม่ดีมันมีโทษแต่เธอเข้าใจผิด ว่าตถาคตเนี่ยที่บอกว่าตถาคตจํากัดความเจริญเนี่ยจริง